จะเล่าถึงเรื่องของภิกษุผู้ทรงอภิญญาปีมีพระภิกษุหนุ่มร่างกาย การบุกป่าฝาดงไปองค์เดียวไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องผูกมัดให้ขัดใจป่าขอให้ได้พบสิ่งดีมีคุณค่าแก่ชีวิตดงไปองค์เดียวไม่ ได้ทราบกิตติคุณของหลวงพ่อก็ใคร่ เหมือนกับครูบาอาจารย์ยุคนั้นเช่นหลวงพ่อคงหลวงพ่อเดิมหลวงปู่ศุกหลวง ปีมาเสงในวันที่ 2424 ที่บ้านยางหัวลมตำบลนายมอําเภอเมืองอ่าโยม ตอนเด็กนี่เป็นชีวิตที่น่ารื่นรมย์สะดวกสบาย 16 ปีก็บวช ศึกษาวิชาขั้นต้นจากหลวงปู่ศรี 25 พุทธศตวรรษท่านเดิน ครูบาอาจารย์หลายจังหวัดได้รับนิมนต์มานั่งปรกแต่ละ แลพลดํารงค์ตรีเนื่องอคุบุตรเป็นประธานและรองประธานฝ่าย ซึ่งเนื้อโลหะแดงกรรมขนาดนั้นมันเหลือเชื่อที่ 2 ช่างโลหะก็ อ่าโอ้แหมๆเข้าไปกราบแล้วก็ยื่นตะกรุดทนทั้ง 3 ดอกให้ นับเป็นการมาที่สร้างความเจริญให้แก่หมู่บ้านด้วยโดยเฉพาะคุณสมนึก ตะกรุดตะกรุดดอกเดียวที่ได้รับสืบทอดต่อมาอ่าผู้ใหญ่นึกก็บอกว่าอย่างอื่นไม่ใช้เลย 10 บาทนั่นแหละอ่าเป็นทองอ่า แต่ถ้าจะแขวนคอเผลอเล็กๆจากบ้านไปธุระที่ ตอนจะขาออกสิเข้าไปในป่าแดงก็อ่าเสียงบึ้มรถทั้งคันถูกถูกแรง นับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ผู้ใหญ่ก็บอกเอาแรกๆ ก็กำลังรบกันอ่าถ้าเข้าไปอย่างเดี๋ยวนี้ 25 พุทธศตวรรษ เรื่องราวอันน่าสนใจของท่านผักกระเทียมลําไยลิ้นจี่เป็น อยู่มาวันหนึ่งก็มีสหายรักกันมากมาวันนึงก็มีสหายรักกันมากเรียนจบ ป.4 ร่วมรุ่นมาพบกันอ่ามาพบในอินเนี่ยเพื่อนคนนี้หน้าดำดํา เพื่อนน่ะไม่มีเงินลําบากหน้าดําหน้าเขียวมาๆๆตกลงเดี๋ยวจะให้เงินเพื่อนจะได้กลับบ้าน ว่าแล้วก็มอบพระองค์นั้นให้นายลักษณญัดเยียดนาย รับพืชไร่หัวกระเทียมหัวหอมไปขายส่งอีกทอดนึงอ่าตอนนี้ก็มีรถแทนเกวียนเล่มเก่าอ่าระยะที่ในอินมีว่าปัญหาเกิดขึ้นมากมาย อ่าที่เคเตติดต่อบ้านสุ่นใกล้ๆอำเภอฝางอ่าตอนที่เดินทางมาเชียงใหม่ถนนมันเลว ในอินก็เอียงไปเอียงมาเครมเครมในที่สุดก็ม่อยไปจริงๆท่ามกลางการม่อยหลับอ่าเปล่าไม่ได้หลวงปู่หลวงพ่อก่อนจะถึงพื้นราบ รถลนตุ่มลงไปในลำธารที่มีน้ําไหลเอื่อยๆนะขณะที่งง คนขับรถหัวโหนพระพงษ์มาลัยกระแทกเอาให้วัดช้างเผือกจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้กิตติคุณของเสมอเนื่องจากมีคน สายตามันหมดอายุตามันหมดอายุไม่เห็นเอาดื้อๆอย่างนั้นแหละทีนี้ ทีนี้มันหาไม่เจอมันก็หันมาหาหลวงพ่อทพท่านก็ยังนั่งอยู่ในกิริยาเดิมคือนั่งนิ่งไม่พูดว่าอ่าหรือว่าคิดว่าหลวงพ่อทพท่านจะ แต่ว่าถึงแม้สายตาท่านมองไม่เห็นแต่หูอ่ะใครทําอะไรอ่ะไอ้โจรอ่ะนอกจากแแคะแแคะเสร็จอ่าคิด ขณะวิ่งไปก็บังเอิญสามเณรที่วิ่งลงไปก่อนแล้วก็นําชาวบ้านอ่าเหนียวกันอยู่แล้วก็ ไม่ทันล้มก็ถูกวาดลูกซ้ายลูกขวากิ้งไปกิ้งมากว่าจะพาตัวมาถึงอ่าทีนี้พอหลวงพ่อทบรู้เอออย่าไป เรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อทบนั้นมี